ไม่มีที่หลบบาป พ, พระพุทธภาษิตณอันตริเคณสมุตดะมัตเชณอั บ, บตานังวิวรังปวิสัตนวิชเตโซชะคติปะเดโซยัติโตมุจเจยะปาปะก ร, รมมาแปลความว่าคนที่ทำบาไปไว้จะหนีไปอยู่กลางอากาศก็ตามกลางมหาสมุทรก็ตาม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 อุปชัชเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติหน้าอันถัดไปจากชาตินี้สามอ布拉พ ร, รเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติต่อไปไม่มีกำหนดศบโอกาสเมื่อไรให้ผลเมื่อ น, นั้นซึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อท่านเข้าสีดายกับทีนั้นกรรมนี้มีโอกาสมากกว่ากรรมอื่นๆให้ผลอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะหมดกำลังของมันกรรมชนิดนี้จะไล่ตามผู้ทำอยู่เสมอบางคราวก็ทิ้งระยะไกล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 กรรมนี้เองที่มักกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยหรือวักษณของคนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า a man second nature การกระทำบ่อยกลายเป็นความเคยชินจนเป็นลักษณะประจำของบุคคลผู้นั้นอุปนิสัยของมนุษยด์ดีหรือเลวขึ้นอยู่กับกรรมชนิดนี้ 3. อามสักรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อโจนตายกรรมนี้มักให้ผลก่อนเพราะใกล้ปฏิสนธิจิตย่อมลงเหนียวเอากรรมนี้ไว้ในขณะชุติคือเคลื่อนจากภพเก่า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 พอไฟเขียวที่ป้อมไฟเปิดขึ้นรถยนต์ค้าหน้าย่อมต้องออกไปก่อนแม้จะกําลังน้อยก็าตามกรรมนี้มีกําลังเพลาเมื่อให้ผลแล้วก็มักหมดกําลังกรรมอื่นที่มีกําลังกว่าวิ่งออกหน้ากรรมที่มีกําลังสมอเสมอคืออาจินนกรรมก่อนตายท่านจึงสอนให้หระลึกถึงกรรมดีเพื่อจิตจะได้หนุงเอาความดีไว้จากได้ปฏิสนธิในกำเนิดดีอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งถ้าจิตเป็นหนุงเหนียวเอาคำชั่วไว้ย่อมต้อง ปฏิสนธิในกำเนดชั่วสกระตั้ตากรรมหรือกระตั้ตาวาปณะณกรรมกรรมศักดิ์แพรวธรรมท่านหมายถึงกรรมที่ทําโดยไม่ได้มีเจตนากรรมนี้มีผลเบาที่สุดจะให้ผลข้อถมเมื่อกรรมอื่นๆไม่มีกําลังจะให้ผลอีกแล้วที่จัดกรรมนี้เข้าเป็นคำอย่างหนึ่งด้วยก็เพราะการกระทําโดยไม่เจตนาบางอย่างมีผลเป็นทุกข์และสุขแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเช่นโยนก้อนหินไปโดยไม่เจตนาจะให้ถูกใคร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 คงจะมีคนกาละกันนีคือคนชั่วอยู่ในเรือนี้จึงจับสลากกันสลากไปตกอยู่แก่พ ญ, ญานในเรือซึ่งอย่างสาวสวยและอายุอย่างน้อยคนทั้งหลายต้องการเอาใจในเรือจึงให้จับสลากใหม่สลากไปตกแก่พ ญ, ญานในเรือถึงสามครั้งพวกลูกเรือและคนโดยสารมองหน้าในเรือเหมือนจะถามว่าจะเอาอย่างไรกันนายในเรือตรองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้คนทั้งปวงพินาดลงเพราะคนคนเดียว ข้าพเจ้าจึงสละหญิงนี้ขอท่านทั้งหลายจงทิ้งเธอลงในมหาสมุทรเสเถิดคนทั้งหลายจับหญิงนั้นเพื่อโยนลงน้ําเธอผู้อันมรณ ภ, ภัยคุกคามแล้วร้องไห้ขอความช่วยเหลือในเรือสั่งลูกเรือว่าจงเปลื้องอาภรของเธอออกซะ ก, ก่อนใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาผ้าเก่าๆให้เธอหนุ่งอันหนึง่งข้าพเจ้าไม่อาจเห็นความทรมานของเธอบนผิวน้ําได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเอาหมอ้อทายผูกเชือกเข้า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 หยุดเสียอีกมีหลายคนกล่าวว่าคนอินเดียไม่เบียดเบียนสัตว์และนับถือวัวว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าแต่เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาคนอินเดียใช้สัตว์ทารุณเลอะเกินทั้งวัวม้าและลาใช้งานหนักมากบางตัวล้มลงขณะที่ลากเกวียนอยู่เพราะหนักและเหนื่อยเลอะเกินจนทนไม่ไหวถึงกระนั้นเจ้าของก็ยังปีให้เดินต่อไปบางตัวลากรเวียนจนหนังคอเปื่อยไปหมดอย่าพูดเียงสัตว์เลย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 แล้วเอาปลายเชือกผูกเข้ากับปากหมอ้อเรียกสุนัขเข้ามาใกล้มันดีใจว่านานและเกินแล้วไม่เคยได้ยินเสียงอันแสดงความปลาณนีอย่างนี้จากนายของมันเลยจึงกระดิกหางเข้าไปหาอย่างมีความสุขนางเอาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกคอหมาแล้วผลักกระออมลงน้ำสุนัขนั้นก็ถูกดึงลงน้ำด้วยมันจมน้าตายด้วยกรรมนี้นางหมกไหมอยู่ในนรกนาน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 นะสมุดดมัดเชเป็นอาธิมีนยะดังพณ น, นามาแล้วแต่ต้น